นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดพากออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหสก์ตำบลดอนตำบลดอนไหศก์อำเภอหนองห า, จานจังหวัดอุดรธา น, นีก็จะมากับคุณหมอรัตพงศ์กราบกราบนมัสการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับผมทันตแพทย์นะัทธพงศ์กนกวิรุนจากกรุงเทพครับเอ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้ที่ท่านละแล้วคุณหมอตอนนี้58าสิบแปครับห <58. S 2> ้าสในแต่ละครั้ง ธรรมะที่เรานํามาเสนอก็จะมีประเด็นต่ตาง ๆ, ๆเราก็จะมาคุยกันนะคุณหมอซึ่งในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความอดทนขันติ ข, ขันติคือความอดทนทีนี้เราได้ชนิดที่ว่ จ, จัดเต็มเลยคือเต็มทุกประเด็นได้แก่กับเรื่องความอดทนหลังจากที่ได้ไปพิจารณาฟังเพิ่มเติมเนี่ยทาให้พบว่าเอ้ยความอดทนนี่นะมันคล้ายๆกับความเพียรนะคือพระเจ้าเคยพูดถึงความ อดทนนะมีความเพียรที่อดทนได้ยากแสดงว่าการทําความเพียรเนี่ยก็คือลักษณะของการอดทนทีนี้ว่าการอดทนอย่างที่เราพูดไปเมื่อกล่าวที่แล้วนะที่พูดว่าอดทนแบบต้องลําบากกับอดทนแบบสบายก็มีใช่ไหมซึ่งถ้าจะพูดเป็นพุทธวจนะนี่ก็ต้องใช้ลักษณะภาษาที่เรียกว่าสุขขาปฏิปทากับทุกข า, ขาปฏิปทาั การอดทนแบบทุกข์าปฏิปทาก็คือว่าคุณจะต้องมาทนเจ็บทนปวดทนพิจารณาซึ่งพระเจ้าเคยพูดในเรื่องของทุกข์าปฏิปทาว่าออคุณต้องพิจารณาเห็นเกิดดับนะพิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงพวกนี้คือทุกข์าปฏิปทาใ ช, ใช่ไหมแล้วก็อดทนแบบสุขขาปฏิปทาคือเหมือนอย่างกับเด็กเล่นเกมอย่างเงี้ยนั่งอยู่สามชั่วโมงได้นิ่งไม่มีการไหวติงนะคะมไม่ปวดแม่อะไรนะเพราะว่าเขาเห็นแต่ความสุขอย่างอื่นเขาไม่มีความปวดขา ซึ่งถ้าเขานั่งเฉยๆเห็นลมหายใจเนี่ยเขาจะปวดขาขึ้นมาทันทีใช่ครับอ่าซึ่งซึ่งไม่ต้องเด็กหรอกเอาผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่กันใช่นั่งกินเหล้าอย่างเงี้ย น, นั่งคาสมาธิอย่างเงี้ยโอ้ยได้เป็นชั่วโมงนะแต่พอมานั่งสมาธิโอ้ย15นาทีเปลี่ยนท่าละเพราะว่าความที่เขาถูกกามเคี้ยวกินอยู่ทีนี้ประเด็นตรงนี้คือว่า อ, อย่างไรก็ตามนะคนที่อดทนเนี่ยก็จะมีแบบสุขอดทน นะั่นคือบางคนนั่งสมาธิลุยไปเลยนะจิตเป็นสมาธิเนี่ยเอา้ามันแป๊บเดียวหายไปแล้วใช่ไหมนั่นะคือ ค, คุณไม่รู้สึกปวดขาไม่รู้สึกอะไรนั่นะคืออดทนได้เนี่ยเพราะว่ามันมันไม่มีมันเป็นความอดทนแบบที่เป็นสุขาปฏิปทา<ม>ซึ่งมันก็จะเหมือนกับสอดคล้องกันกันกบพุทธปัญญาที่บอกว่าสุขาปฏิปทาเนี่ยคือการได้สมาธิได้ฌานใช่ไหมอ่ามันจะเข้าสมาธิไปเพราะฉะนั้นทําให้มามองจุดที่เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนะคุณมอระพงบางคนปวดปวด ก็มาถามว่าปวดแล้วจะทำยังไงปวดแล้วจะทําังไงเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการอย่างน้อยสองกระบวนการคือมีแค่สองกระบวนการแต่วิธีมีหลายวิธีนนั้กระบวนการแรกก็คือไอ้ความทุกข์กระบวนการแบบความทุกข์คือกุ้เอาจิตจี้ไปที่ตรงปวดเลยเอาจิตจี้ไปที่ตรงปวดปวดตรงนั้นเอาจิตจี้ตรงนั้นเห็นมันไม่เที่ยงคือหมายความว่าเราแค่เอาพิจารณาเห็นจุดที่ปวดครับเอาไปดูจุดที่ปวดอขาปวดขาปวดเราเอาไปดูที่ปวด อีกวิธีหนึ่งคือคุณมันอยู่กับลมหายใจคุณไม่ต้องไปดูที่ปวดไม่ต้องสนใจอ่าไม่ต้องสนใจที่ที่ปวดนะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวซึ่งถ้าคุณอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคือคุณพยายามที่จะหลบจากตรงปวดนั้นหลบจากตรงปวดเราไม่ต้องไปทนนะไม่ต้องไปทนแบบทุกข์ทาร์ติปิตาคือคุณนิ่งอย่างเดียวครับคือเข้าสมาธิลึกไปเลย นะหรือวิธีแรกที่พูด<ะ>มาสักครู่นี้ก็คือว่าเอาจี้มันคือไม่ใช่ว่ากดให้มันปวดมากขึ้นนะแต่เอาจิตของเราเนี่ยไปพิจารณาดูสิว่าปวดเนี่ยใครปวดมันไม่เที่ยงมันเสื่อมไปได้เ<อ>มื่อก่อนไม่มีแต่วันดับไปไไมันเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยคือเอาให้เราเห็นตรงปวดแล้ว เ, เห็นมันไม่เที่ยงใช่การดับเราก็จะละปวดได้อันนี้<ะ>ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งพระเจ้าเคยลองมาก่อนใช่ไหมเอาปวดอัดบีบคัน้นกั้นลมหายใจไม่กินข้าวนะอย่างนี้ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคืออดทนแบบสุขสบายสุขาปฏิปทาคือเข้าสมาธิให้ลึกขึ้นไปอันนี้ก็จะมีสองกระบวนการวิธีการที่พูดถึงวิธีการเนี่ยก็อย่างเช่นมกุลลมหายใจก็ได้นะหรือว่าคุณพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมรณสติบ้างาแล้วก็อสุอสภาสัญญา<ด>บ้างอย่างนี้นะสุภาพสัญญานี่จะเป็นทุขาปฏิปทาครับเร่กรณี คำบริกรรมอย่างเงี้ยจะจะหลุดจากตรงนี้ไหมครับพุทโธหรือว่ายุบเนอป้องหนอถ้านี่ไงคือวิธีการร้าคุณเห็นตัวอย่างเช่นพุทโธหรือยุบหนอป้องหนอแล้วจิตคุณสงบนี่ยก็จะอยู่ในขายของสุขาปฏิปทาอ๋อครับแล้วเราก็ไม่สนใจเรื่องปวดจิ่มันก็อยู่ในสุขาปฏิปทาครั บ, รบซึ่งตรงนี้เราจะพอจะแบ่งได้ตามพุทธวจนะก็จะลักษณะนี้ อ, อแล้วสมาธิขั้นไหนครับท่านที่สามารถละความเจ็บปวดได้ ชั้นหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับอ๋อคือตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ละได้เลยคื อ, อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีวิตรวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกถูกไหมซึ่งอันนี้มันไม่มีตัวปวดอยู่แล้วนะแล้วปีติสุขเนี่ยพระเจ้าบอกชัดเจนว่าทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีอืมทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนส่วนหนึ่งเลยที่ไม่มีนะ เระฉะนั้นถ้าคุณเข้าสมาธิลึกถึงขั้นฌานที่หนึ่งที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ย<ม>ทั่วทั้งตัวนี้คุณไม่มีปวดแน่นอนมีแต่ปีติสุขทีนี้คนเรามันทําได้ไม่ไม่ต่อเนื่องไงบบที่พระเาเคยบอกว่าคุณจะเป็นผู้ที่ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนเนี่ยฉลาดในมีอํานาจจิตเหนือมีมีจิตมีอํานาจเหนือจิตเนี่ยนะคือคุณจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิอย่างสมมติว่าอาตมาเข้าสมาธิอย่างเงี้ยหรือคนฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะเข้าสมาธิสมนาทีได้ไม่มีปัญหา นาทีที่สี่นั่นนาทีที่เริ่มนาทีที่สามห้าสิบเก้าวินาทีเริ่มนาทีที่สี่วินาทีที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มปวดด้วยเริ่มปวดเราเริ่มมีความกังวลเลยฮ้ยฉันจะเป็นอะไรไหมวะเอ้ยเส้นนี่ขาดหรือเปล่าแล้วตรงนี้เรื่อมมันจะเดินไปทางไหนเอ้ยเสนตายไหมขาจะจะสากไหมนั่นคุณฟุ้งซ่านไปแลืมคือคุณหลุดออกจากสมาธิตั้งแต่นาทีที่สามห้าสิบเก้าวินาทีละเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณไม่ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิ แล้วคุณออกไปเนี่ยเราถีออกจากสมาธิบางคนไม่มีสติรู้ด้วยซ้ําว่าเอ๊ะออกไปแล้วออกไปแล้วบางคนเวลาเสียงระครงเง่งเง่งเงขึ้นมาแล้วเนี่ยลืมตาขึ้นมาออกจากสมาธิตรงไหนไม่รู้ด้วยซ้ํำไม่มีสติตรงนี้ไม่มีความฉลาดตรงนี้คือหมายความว่าอยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชํานาญนะอ่าใช่ครเอาแค่เราขับรถเหยียบเบรกมาแล้วพงบางคนไม่รู้จังหวัดรถอย่างเงี้ยว่าเบรกมันทํางานยังไงหยิบจึ๊กจึกใช่ไหมจึ๊กมันหน้าทิม แต่พอเราเริ่มรู้ว่าอ๋อเบรกมันหนักอย่างนี้เบาอย่างนี้เราเริ่มเหยียบแตะเบาปรับให้มันสム ooth ได้อสム ooth เงียบเย็นได้อย่างนี้โดยเฉพาะยิคนที่ขับรถมีคลาสเนี่ยถ้ายังไม่รู้จังหวะของรถนะว่าคลาสมันตั้งสูงตั้งต่ํายังไงเนี่ยเขาจะกระตุกใช่แต่พอเขาเริ่มคุ้นเคยชินแล้วเนี่ยรถก็จะไปลื่นได้เช่นเดียวกันคือจิตของเราเนี่ยแต่มาต้องบอกนะหมอธนพงศ์ว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแมคชีนิกนะมันไม่ใช่เป็นแบบหนึ่งสองสาม เป็นระดับระดับเป็นเหมือนกับนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ ก, กไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจิตเนี่ยมีธรรมชาติอ่อนโยนอ่อนนุ่มนุ่มนิ่ ม, มทําให้เวลาเราไปรับรู้อะไรเนี่ยมันมันลื่นไปหมดอืมครับถูกไหมจริงครับอันนี้นี่เป็นประสบการณ์ของคุณได้จะเต็มทุกคนรู้สึกเหมือนกันใช่ครับนะคุณกินข้าวไปคุณฟังเพลงไปแม่มันสมูทไปหมดเลยนะอืมมันเหมือนกลมกลืนกันไปหมดเลย <laughs> เพราะว่าธรรมชาติของจิตมันมันอ่อนนุ่มมันนุ่มนิ่มไปครับ เ้วที่ว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเนี่ยมันก็จะเป็นนุ่มๆ ม, มันไม่ใช่ว่าติกต๊กๆๆ๊ ก, ก, กมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่010101ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ <S 1> <S 1> <S <S เนียนเลย เ, ย <S 1> <S 1> เขาเรียกว่าเนียนใช่ไหมก็เรียกว่าถ้าภาษาพุทธวัจนะก็คือเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนอ่อนโยนเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนครับทีนี้ลักษณะของจิตก็ต้องเหมือนตันหาแน่หมายความว่าตันหาเนี่ยมีธรรมชาติที่ไหลซึมแผ่สั้นนะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นยืดยืดเป็นเนืด นะเช่นต้องเป็นเหมือนจิตแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยตัณหาเนี่ยมันอยู่กับจิตกับจิตอยู่ที่ไหนตัณหานึบไปหมดเอาขนาด <Liam. S 1> ว่าในสมาธิใช่ไหที่เราครเคยบอกว่าในสมาธิเนี่ยไม่มีกิเลสใช่มไหมแต่มีตัณหานะจิตสว่างสวั ย, ยเลยเต็มที่เลยแล้วก็เป็นจิตที่อ่อนโยนคุณแก่ ก, การงานเป็นจิตประพัฒสอนด้วยแต่ตัณหาเนี่ยมันยังแฝ ง, งอยู่เพราะมันยังมีพิษคืออวิชชาอยู่ในจิตอืใช่ครับเ<า>พราะมีพิษเป็นอวิชชาอยู่ในจิตเนี่ยคุณออกจากสมาธิเมื่อไหร่นั่นแหละ นึบละโดนเลยหนึบละอ่ามันนึบละมันก้าวลงละครับมันมีธรรมชาติที่ไปยึดละลักษณะนี้อย่างบางคนบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางโถคุณรู้หอเปล่าว่าคุณยังไปยึดไอ้ตรงที่ปล่อยวางนั่นแหละครับปล่อยวางได้แล้วอันไหคุณยึดตรงนั้นละยึดไอ้ตรงที่เราปล่อยวางได้โอมันละเอียดขนาดนี้นะมันมันมันเอาเราทุกทุกมุมทุกแ ง, ง่ครับอืม อย่างคำว่าปล่อยวางนี่พูดง่ายนะครับแต่ทํายากนะครับแต่ โ, แตโดยพ้องยิ่งพูดในรายการวิทยุพูดออกทีวีเลยมันง่ายมากง่ายว่ากอบอกอา้าวแบบสมมติว่าเอาเห็นคนยังมีทุกข์แล้วก็บอกว่าอา้าวก็ปล่อยวางซ<ส>ะซิเนี่ยโอ้นะแต่ว่าเกิดขึ้นกับตัวนี้ไม่ง่ายนะครับใครไม่โดนจริงเนี่ยนะไม่รู้หรอกรงเงินหายญาติตายโดนภาษีย้อนหลังเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวโอ้มันเหมือนถูกอัดที่หน้าตุ้ยที่ท้อแล้วก็ถูกเสาว เข่าตุ้ยเข้าไปอีกครับถ้าเราไม่แข็งแรงมาก่อนเราพลาดเลยรเราจะน่วมมากครับตัวอย่างในเรื่องของอันเนี้ยเราเจออยู่ทั่วๆไป อ, อย่างเช่นว่าเวลาที่ญาติเราตายครั บ, ค, รบคนรักคนสนิทที่ตายอย่างกระทันหันนะไม่ใช่ว่าอายุเจ<อ>็ดสิบแดสิบแล้วตายอย่างนี้นะบางคนป<อ>ุ๊บปั๊บเพื่อนเราเพื่อนสนิทนะตายครับนะคือคือเราจะวัดตรงนี้ได้เนี่ยนะมันมีเกณฑ์ง่ายๆอยู่แล้วที่พุทธเจ้าบอกไว้คือ ถ้าเราโดนอะไรกระทบแล้วเนี่ยนะครับเราไม่กระฟัดกระฟีตกระด่านกระเดืนแสดงความกรธความกัดเคลืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะอันนี้โอเคนี่คือกรณีหนึ่งกรณีที่สองก็คือคุณไม่ร่ำให้คร่าครวญทุบ อ, อกชกตัวถึงความเป็นพุ่งง ง, งกลา่งเพล่รหรือว่าคุณก็เรียกว่านิ่งเพราะว่างโง่หรือว่านิ่งเพราะว่ากลัวอืออนือนิ่งเหมือนกันแต่ว่านัยะต่างกันใช่ถ้าเป็นสี่อย่างนี้ถือว่า ไม่ไม่ดีถือว่าไม่ดีถือว่า ม, มาร์กตาจอกถือว่ายังเป็นผู้ที่เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนจมอยู่ในความนั่นใช่ัหมก็ยังเป็นผู้ที่ยังหวั่นไห ว, ว, วไปตามสิ่งที่มากระทบยังหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแสดงว่าจิตเนี่ยยังจะต้องได้รับการฝึกอีกทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่เป็นสี่กรณีนี้นันไม่เป็นสี่กรณีนี้หมายความว่าไงก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่สี่อย่างนี้เช่น พิจารณาแก้ไขปัญหาจะไปตามระบบคนตายใช่ไหมก็จัดงานศพของหายใช่ไหมก็พิจารณาที่จะไปตามหาหรือว่าซื้อใหม่มาแทนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพอที่จะแก้ไขปัญหาไปเฉพาะหน้าได้ทีนี้ไอส้สอย่างเนี้ยเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงมันก็จะเสี่ยงทําให้เราทําอกุศลธรรมทั้งหลายแหล่มสมมุต<ช>ิรเราด่าเขาอย่างเงี้ยด่าเออเป็นสี่ละหรือว่าเราร่ําให้คร่ำคุณออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไป เป็นเบียรค น, นอื่นละหรือว่าถ้าเรานิ่งโดยที่ง โ, งโง่หรือว่านิ่งโดยที่กลัวนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดอวิชชาเนิ้อใสละครับซึ่งเวลาที่เราเรจอสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะมันมันไม่ได้รอเรานะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เธอไปนั่งสมาธิก่อนอย่างนี้มันไม่มีแต่เวลาเราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆนะทาซ้ําทําย้ําทําอยู่เรื่อยๆนะคอยฟิตซ้อมตัวเองนะฟิตซ้อมตัวเองอยู่เรื่อยๆ พอเจอประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ครับอย่างกรณีของการตายเนี่ยคนจะเรียกว่ากระทบกระแทกใจมากอย่างเช่นว่าคนที่กำลังออมีความเจริญเช่นสมมติอายุ40ปีกำลังแบบเป็น prime เลยน ะ, ะตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็แบบอโอ้มีความสามารถกำลังมีชื่อเสียงเนี่ยแล้วเกิดแบบอุบัติเหตุตายเนี่ย มันจะกระแทกใจมากเนอะโอ้โหไม่น่าตายเลยคนนี้กําลังรุ่งอะไรเงี้ยนะใช่ใช่อย่างการตายของสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นต้นเนาะใช่ครับโอ้โ <c oughs> กระแทกใจคนทั้งโลกเลยใช่ยิ่งถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขานี่ก็ได้รับการช็อกเลยไปตามๆกันครับเอออย่างบุคคล น, นี้ที่เราจะสามารถยกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยนะคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรตํารวจดับเพลิงครับตำรวจดับเพลิงเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวในการที่เจอสิ่งพวกนี้อยู่แล้ว ถามว่าเวลาที่เขาไปดับเริงจริงๆเท่าไหร่ไม่ถึงสามเปอร์เซ็นเลยมรรัรัศพงใช่ครับแป๊บเดียวไม่ถึงสมเปอร์เซ็นที่เขาจะต้องเจอไฟอลนะที่ต้องเจอไฟดับไฟจริงๆนะแล้วเวลาเก้าสบเจ็ดปอร์เซ็นที่เหลือเขาทำอะไรนะเขาเอาไปในการซ้อมเพื่อที่จะเตรียมสู้กับสามเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นซ้อมเพื่อจะสู้กับสามเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะซ้อมทํายังไงนี่เลยนะวิ่งฟิตร่างกาย เตรียมอุปกรณ์รถจอดหันหน้าออกตลอดต้องเคลียร์เส้นทางอยู่ตลอดอนะ e ิมเมอร์เเตรียมการไว้นะอุปกรณ์เตรียมการแล้วก็ไฟฝึกนะฝึกเจอไฟฝึกเจอไฟมันมีรูทีนที่เขาจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อแค่ h ฮ n d l e 3% อร์ตรงนั้นเองครับทำไมเขาถึงให้ความสำคัญตรงนั้นมากเพราะว่าไอ้ที่เกิดตรงเนี้ยมันจะทาลาย 97% ที่มันเหลือทั้งหมดหมายว่าสมมติไฟไหม้อย่างงี้ใช่โอ้โหความ ความเขาเรียกว่า damage ของมันเนี่ยมันไปไกอความเสียหายไปไกลไปแรงแล้วก็ผลกระทบอย่างมากแต่เช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตของเรานะหมอระพงแล้วเราอยู่ๆตูอ้มออกมานี่นะโอ้โหเสร็จเลยซากก็ไม่เหลือบางทีเราดา่า ค, คนนี้ใช่ไหมเรากระฟัดกระเฟียดกระด้านกระเดืองแสดงความกรธความกัดขืองความไม่พอใจให้ปรากขึ้นมาเนี่ยงานเสียไปเลยนะอนาคตคุณเรียกว่าคุณจมปากไปเลย นักการเมืองหลายคนอนาคตดับรล้วเลยก็เพราะว่าแค่มีปัญหายอย่างนี้หรือว่าถ้าบางทีเรา เ, าเป็นผู้มุนงงหลงไหลร่ำให้ร่ําครวญอย่างเงี้ยโอ้ยนี้ก็ไม่ดีออันนี้ก็ไม่ดีร่ำให้ร่ําครวญทุบบกชกตัวเป็นผู้มุนงงคลั่งเพอก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํำยังไงทํำยังไงเมื่อเวลาที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ภาสุขอยู่ได้ เจอของหายเจอญาติตายความเสื่อมแห่งลาบความเสื่อมแห่งโพกทรัพย์ความเสื่อมเพราะโรคความเสื่อมเพราะความสื่มความเสื่อมญาติความเสื่อมแห่งโรคความเสื่อมแห่งโพกษทรัพย์แล้วก็ความเสื่อมแห่งความสุขก็คือความทุกข์นั่นเองคือโลกธรรมแปดอะโลกธรรมแใช่ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคุณได้มาคุณก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะคุณเสียไปคุณก็ยังเป็นผู้ทอ่ ไ, ไม่โลดที่อกชกตัวอใ น, ในลักษณะนี้เพราะถ้าเราเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยอถ้าเราสามารถปล่อยวางได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะใช่ครับเราต้องอาศัยการฝึกไงต้องพิจารณาบ่อยๆเลยใช่ไหมครับฝึกนี่ก็คือว่าไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยแล้วมันเป็นชั่วโมงบินคืออย่างเวลาออกกำลังกายเนี่นะหมอธัชพงศ์ ค, คนที่ส่วนใหญ่ที่เขาขี้เกียจไปออกกําลังกายเนี่นะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้อ้างกันเป็นประจําเลยนะ วิ่งออกกาลังกายต้องใช้เวลาใช้เวลายังไงเดี๋ยวคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้า ค, คุณเหนื่อยแตกโทมกายหรือคุณต้องไปอาบน้ำํำอาบน้ําเสร็จแล้วเวลาจะออกกําลังกายมัน10นาทีสิบนาทีมันก็ยังไม่เหนื่อยก็ต้องเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครึ่งชั่ว<ช>โม ง, งเป็นสีานาทีเป็นอย่างน้อยไหนจะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรหนึ่งชั่วโมงโอ้โหหนึ่งชั่วโมงนี่มันบางทีเรามีเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะหรือบางทีมันต้องเกินกว่าหนึ่งชั่วววโมมมมมงงงเเเเเเนีี่่ยย้าาาาาาากกกกก็จะะะไไไไลลลลปอออํััพรร ใช่ไหมไม่มีเวลาก็เลยไม่ไปไม่ไปอทีนี้ว่าไอต้ตรงตรงเนี้ยไอ้การนั่งสมาธิเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเออคุณจะต้องไปนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปสวดมนต์อะไรต่างๆนั่นก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งที่ที่สามารถทําได้แต่วิธีการอื่นก็มีง่ายๆเช่นแค่ว่าเรามาสังเกตลมหายใจอยู่เรื่อยรอรถเมอรอคนรอประชุม ร, รอลิฟต์ อะไรอย่างเงี้ยได้ mantra, ทานั้นเลยลอรอลิฟต์ป oh. ุ mm ๊บระลึกถึงลมหายใจเพราะว่านั่นคุณเก็บคะแนนละคุณเก็บคะแนนแล้วนะจิตลับแข็งแกร่งขึ้นอย่างหนึ่งจิตคุณแข็งแกร่งขึ้นระดับหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วเรานิ่งอยู่ได้อออืครับหรือว่าเวลาที่เจอใครด่าใครว่าเราอดทนได้อันนี้คุณคะแนนเพิ่มละคะแนนเพิ่มทันทีคะแนนเพิ่มแล้วเราเจอยังไงถ้าเราเจอภาษาที่เหนือกว่าขึ้นไปเนี่ย ค่อยถคือว่าเป็นระดับระดับขึ้นไปอะนะรเราก็สามารถที่อดทนได้น<ม>ผ่านไปได้เรื่อ ย, เอยๆอเก็บชั่วโมงบินตรงนี้ตั้งแต่งทุกขณะจิตทุกทุกขณะลมหายใจครับ อ, อย่างอันนี้แบ่งปันนิดนึงในทางปฏิบัติอย่างขับรถในกรุงกรุงเทพเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าต้องติดแน่ๆเจอไฟแดงเจอแล้วติดเนี่ยเมื่อไหรอย่างตัวเองเจอไฟแดงเมื่อไหร่จะ จัดการเลยดูลมอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าเออเก็บนิดเก็บหน่อยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใช้ได้แล้วฝึกไปบ่อยๆกลายเป็นว่าไม่กลัวไม่กลัวรถติดครับดั น, นติดมาเลยเดี๋ยวเป็นโอกาสภาวนานใช่ใช <laughs> แ่แล้วก็แล้วก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งหลับตาทำตัวประหลาดๆก็ไม่ใช่อย่างนั้น ครับบางคนจะเห็นว่าคนปฏิบัติธรรมานี้ทําไมประหลาดๆเดินยังไงเดินช้าๆแล้วก็หน้าตาเบลอๆไม่ไปทำอะไรมาซึ่งซึ่งเราต้องเราต้องทําให้เป็นธรรมชาติไงครับอ่าแล้วมันอยู่ในอยู่ในการงานของเราทุกวันเรากินข้าวคุณพิจารณาไหมกินข้าวอ่ะกินวันละกี่มื้อวันละสามมื้อสี่มื้อนั้นกินมื้อหนึ่งคุณใช้เวลานานเท่าไหร่นั้นในช่วงนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะพิจารณาและพิจารณาอาหารน่ะครับแล้วจําเป็นต้อง เคี้ยวแบบให้รู้สัมผัสแบบอ๋อเนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วครับอือคือคือยังไงระหว่างที่เคี้ยวคุณก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครใช่ไหมหูคุณก็ฟังอยู่เอาคุณก็รู้เราไม่ใช้ไปได้ด้วยแล้วก็รสนมอาหารไปได้ด้วยมีสติไปได้ด้วยไม่ไหลไปตามได้ด้วยอย่างเงี้ยอทําได้ทําได้ก็เป็นโอกาสเขาเรียกพิจารณาอาหารไปเลยนะครับใช่แล้วเราต้องทําอยู่บ่อยๆเรื่อยๆ นอย่าประมาทให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อย<ม>ๆเราจะผ่านเวลาเจออะไรขึ้นมามันก็จะผ่านไปได้ครับรู้สึกว่าอย่างในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีบอกว่าในอิริยาบถ ท, ท, ทุกอิริยาบถให้เราพยายามพิจารณาใช่ไหมครับอย่างตอนอสมมตินั่งนั่งซ่วมอย่างเงี้ย<ม>บางบางคนชอบเอาหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออะไรมาอ่านแล้วก็นั่งนานๆเพราะ คนคนเมืองเป็นกันเยอะนะครับท่าน oh. บางคนนั่งนานๆเขาบอกจะทําให้เลือดมันไปอยู่ที่คนทวารเนี่ยจะมีความเสี่ยงของการเกิดลทธิ์สีดวงทวารด้วยอ oh. นั่งนานแล้วก็แบบเบ่งอะไรไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยไปเพราะว่าเ<า>ขากินมากเกินไปแล้วอาหารมันย่อยไม่ดีหรือเปล่าด้วยครับอ mm hmm. เ, เกี่ยวกับอิเลียบทการการอย่างนั้นด้วย <c oughs> อเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในในส้วมเนี่ยนะข้อปฏิบัติของที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็คือว่า อก็คือไม่ให้เร็วเกินไปแล้วก็เข้ า, าเข้าไปเนี่ยอย่าให้พิ่ว<ๆ>่าแล้วรีบออกมาะ แ, แต่ทําให้เรียบร้อยซะก่อนถึงก้อยออกมาได้ออืมอื ม, มแล้วไม่ให้ช้าเกินไปด้วยใช่ไหมครับอช้าเกินไปนี่ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าอย่าเบ่งแรงอื ม, อมอย่าแปลงฟันไปด้วยอย่าแปลงฟันไปขณะที่ทำกิจไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือพิมพ์ก็อาจจะได้อยู่โอ้แปลงฟันนี่ตรงเลยนะครับท่านว่าจริงๆเรารู้สึกว่า จ ร, จริงๆการแปลงเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ละเอียดละเมียดละไมนะครับถึงจะทําได้ดีใช่ใชไอประเภทแปลงแล้วก็เดินดูสวนดอกไม้อะไรเงี oh, mm ้ย hmm. มันมันจะแบบว่าฟันมันก็จะไม่สะอาดด้วยแล้วมันก็จะเอ่อความสึกหลอมันเกิดขึ้นเยอะ <laughs> เพราะฉะนั้นเวลากลับมาถึงเรื่องที่การที่จะฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับเนี่ยเราก็ไอาการปฏิบัติเนี่ยเราเราทําไปเป็นประจําทุกวัน อ, อ, อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งหลายๆรอบ รอบนึงไม่ต้องนานรอบนึงอาจจะแค่30มิวินาทีแตะ่ะทาบ่อยๆทํำน้อยๆแต่บ่อยๆ อ, อันนี้ดีกว่าดีกว่านะครับทำน้อยๆแต่บ่อยๆ อ, อันนี้ดีกว่าแล้วกอ็อาจจะปีหนึ่งสองอปีหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหาโอกาสมาหลีกเลนปฏิบัติเพิ่มเติมยาวๆจะเปนรรีชาร์จรีเฟลชอย่างนี้ ค, คือ ค, คื อ, คอมาร์กเนี่ยนะหมอรัฐพงศ์ถ้าเราไม่ได้เดินอยู่ในมาร์กเนี่ยคือมันจบเลย อคือคุณออกนอกมั้งนี่คือคุณไม่ได้เป็นอริยบุคคลละครับมันมันไม่ได้อะไรมากนะสมมติโสดาปฏิผลโสดาปฏิมาคอย่างเงี้ยโซดาปฏิมาค็แค่ว่าคุณมีสีหน้าคุณระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮ้ยคุณเป็นอริยบุคคลแล้วนะโสดาปฏิมาค์นะครับคุณเป็นคนประเสริฐคุณเป็นหนึ่งในสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกย่องคแต่ก่อนตายท่า น, นเองที่คุณต้องทําให้ได้โสดาปฏิผลนะอืมครับไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเอาวินาทีนี้เลยไป วินาทีนี้คุณอยู่ในศีลเอาคุณนั่งสมาธิคุณมีสมาธิถิ่ใช่ไหมคุณนั่งสมาธิแค่นี้เองเราไม่ต้องให้อสังโยชน์สังเวียนอะไรมันสิ้นไปหรอกเอายังมีอยู่ก็ได้นะเอาแค่เนี้ยคุณเป็นโซดาปฏิผลโซดาปฏิมาค่ะโซดาปฏิมาอยู่บนทางที่จะไปสู่ความเป็นโสดาบัอื์ครับอยู่บนทางที่จะไปสู่ความเป็นโซดาบัณฑ์ละเราสบายใจละครับอืมโซดาบัณก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะครับ แล้วพอเราไปอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความสบายใจนะคือมันไม่ได้ยากอะไรแตแล้วระหว่างที่เราทําไปทําไปเนี่ยเพียงแค่ว่าในระหว่างที่เราเดินมาร์กไปเนี่ยนะมรพงศ์เราเดินอยู่บนมาร์กเนี่ยคุณยังไม่ได้ผลใช่ไหมในเส้นทางที่คุณเดินอยู่เนี่ยไปเพื่อโซดาปฏิพลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วถามว่าเออระหว่างคนที่เดินโสดาปฏิมาคัอเดินโซดาปติผลเนี่ยได้โซดาปฏิผลเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าก็เดินอยู่บนมาร์กเหมือนกันคุณก็มีศีล5้าเหมือนกันคุณก็นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนกัน น้ำม <molec> ันต่างเรียกว่าสังโยชน์ตัวสังโยชน์คือของโซดาปฏิมร์เนี่ยปฏยังละสังโยชน์ไม่ได้แต่โซดาปฏิผลเนี่ยละสังโยชน์ได้แล้วสองคนนี้มีข้อปฏิบัติเหมือนกันคือศีลห้าแล้วก็มีศรัทธาในรัตนตรัครับอืแล้วโซดาปฏิผลนี่ก็จะเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือยายธรรมยานธรรมอริยยายธรรมอริยยายธรรมแล้วก็ไม่ไม่ใช่อริยยายธรรม พระเจ้าเขาใช้คำว่าอันวิยะ า, านอันวิยะ า, าน<อ>แล้วก็ญานธรรมธรรมยาน<อ>ธรรมยานกับอันวิยะยานรธรรมยานกับอันวยะายานเนี่ยก็คือค ร, รู้ว่าโอ้โหเอไม่ว่าจะเป็นโสดบันในอดีตนะนะก็ดูปัจจุบันก็จะต้องทําอย่างที่เราทํามา น, นี้เขาจะมีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาเนี่หรือไม่อันนี้คืออันวิยะยานซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะต่างกับ คนที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลนะคนที่ยังไม่บรรลุโซดาปฏิผลเนี่ยก็จะมีความยังไม่แน่ใจว่าเอคนอื่นเขาจะจะได้ผลเหมายถึงว่าถ้าเราทําไปเรามั่นใจในตัวเราใช่ไหมแต่รเราจะไม่มั่นใจว่าเอคนอื่นนี่เขาจะได้เหมือนเราไหมอ๋อมีอย่างนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> หม า, มายความว่าคนอื่นเนี่ยถ้ามาเดินเส้นทางนี้จะถึงเหมือนเราไหมอย่างนี้แหละครับจะได้เป็นโสดาปฏิผลไหมเพราะเรายังไม่ได้โสดาปฏิผลนี่ อ๋ออครับใช่ใเรายังอยู่บนเส้นทางแต่ยังไม่ถึงเห็นผลใช่เพราะงั้นเขาก็ยังไม่ชัวร์ป่ะผลเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อทีนี้คนที่มันได้ผลแล้วเนี่ยก็จะมีความที่เรียกว่าคนอื่นยังไงก็จะต้องทําแบบนี้เหมือนกันอ๋อครับครับแล้วเราทราบได้ยังไงครับท่านถ่าถึงว่าเออได้โสดาปฏิผลเนี่ยมันมันมีสัญญาณหรือว่ามันมีอะไรที่เราจะทราบได้นะครับเอ่อพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาฟ้าผ่าเราอยู่ในตอนคืนมืดๆเลยนะหมอล้ กลับกันคืนมืดๆเนี่ยฟ้าผ่าแวบหนึ่งคุณเห็นอะไรเท่านั้นแหละโสดา<อ>บันนะอ๋อซึ่งต้องรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมครับมี ป, ปั จ, จตังคุณก็จะมีประสบการณ์ถึงนิพพานแวบหนึ่งเท่านั้นเองแวบเดียวเ ม, มัน ก, นก็แล้วมันก็มืดไปแล้วอาจจะพอจำได้หลางๆว่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรบ้าง ก็แค่นั้นแหละออันนี้เป็นอุปมาอุปมาที่ผู้เชา้ายกตัวอย่างเหมือนกับบรุดเหมือนสายฟ้าแลบครับบรุดเปรียบเหมือนฟ้าแลบคือแว๊บเดียวเห็นแค่นั้นเลยเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าโอ้ยนี่ในที่นี้มีของอยู่อืมแต่เป็นยังไงแม่เดี๋ยวเห็นแว๊บเดียวเดี๋ยวเขาเขาทําไปอีกนิดนึงก่อนอย่างเงี้ยโซนเดอร์บรันจะมีจะมีความมั่นใจตรงนี้อ๋อแล้วมีประเภทสําคัญผิดไหมครับท่าน คือเป็นอาการอื่นแต่ว่าสําคัญผิดว่าอุ้ยตรงนี้แหละอมีทุกขั้นเลยสําคัญตนว่าได้บรรลุนี่มีมีหมดใครๆก็มีไม่ใช่ว่าใครๆก็มีนะคือมีทุกขั้นบางทีอยังไม่ได้มีอะไรสําคัญตนว่าตัวเองเป็นโสตบันเอแนๆหรือหรือสําคัญตนไม่เป็นพระอรหันจากไม่มีอะไรสําคัญตัวเองก็เป็นพระอรหันหรือจากได้แค่โสตบันสําคัญตัวเองว่าเป็นอรหันก็มีอืมครับ ทีนี้เอกที่ว่าสําคัญตนว่าได้บรรลุเนี่ยมันต้องมีเหตุเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะมาสําคัญตนว่าได้บรรลุที่คนจะมาสําคัญตนว่าได้บรรลุเนี่ยอันที่เราพอจะทราบอยู่อันนี้ก็คือเขามีมิจฉาทิฏฐินะนะหรือว่าเขาก็เดินอยู่ในมรรคนั่นแหละอาจจะมีสมมาตทิฏฐิแต่เป็นผู้ที่ด่าบริภาษเพื่อนผู้ประพฤติพระมจรรด้วยกันอหมือนว่าคุณคนนี้ไม่ดีฉันดีกว่ายกตนข่มท่าน ด้วยคุณธรรมของตัวเองหรือว่าด่าว่าคนนู้นนี่ชี้เพ่งชี้โทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นโดยโดยที่ศีลเนี่ยเขาให้ปฏิบัติตัวเองใช่ไหมคุณคนันเอาเรื่องศีลไปเพ่งโทษคนอื่น อ, อการที่คุณเอาศีลไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วคุณว่าครับนานคุณด่าบริภาษเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันละหนึ่งในความชีพหายสิบอย่างที่คุณอาจจะเจอ น, นั่นคือความที่สําคัญตนวัดได้บรรลุอโอ้ตรงนี้อันตรายนะสําคัญตนวัดได้ลอันตรายครับแล้วโดยยังไม่ได้มีคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะ ครับเพราะเพราะแค่ว่าตัวเองไปด่าบริภาษเพื่อนผู้รู้ผู้มาชันโอ้โมันผลกระทบรุนแรงคือศีลศีลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้ไปเพ่งโทษคนอื่นอยู่แล้วศีลเพื่อให้เราปฏิบัติขัดเกลาตนเองใช่กฎหมายนี่เขาไม่ได้ให้ว่าคุณไปตามจับผิดคนอื่นกฎหมายนี่เขาให้คุณปฏิบัติเข้าใจไหมหน้าที่ตามจับคนอื่นนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจเราไม่ใช่ตำรวจครับอเราไม่ใช่ตำรวจตำรวจคือกรรมนั่นเอง กรรมยังงมันตามทันแน่อืผลของกรรมเอประมาณต่างๆของกรรมพวกนี้มันตามทันแน่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าผอกว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่เราไม่สนใจใครมากหรอกคือถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติทําสมควรแก่ธรรมอย่างเงี้ยนะกาชื่อว่าดูแลคนอื่นแล้วอย่างที่เราเคยคุยกันนะนะธรรมะเนี่ยถ้าเราทําให้เกิดขึ้นในตัวเองแล้วชื่อว่าคนอื่นก็ได้ด้วยออืเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่า อย่าไปสนใจคนอื่นเลยเนี่ยต้องใช้ต้องใช้บทเพียนชนะของพระรูชาดีกว่าพระรูชาใช้คํานี้บอกว่ า, าพวกเธอจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนนั่นะคือตั้งหน้าปฏิบัตินะจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดนะพูดอย่างนี้ครับ ถ, ถ้าเพื่อถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปสนใจคนอื่น คุณสนใจแต่ตัวเองอันนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวใช่ครับหรือว่าจะคล้ายๆกับว่าเราไปเพ่งโทษคนอื่นนะเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มมีฉันมีเธอมีแก่ใช่ไหมใช่ครับการกําหนดบทประ ย, ยชนะตรงนี้ของพระเจ้าจึงคมมากมาว่าว่าเป็นยังไงครับจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนครับนะเอาคือเอาตนเองนะแล้วก็กําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนจนอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนตรงนี้นะ คือไม่ได้พูดว่าเธออย่าไปสนใจคนอื่นอให้มุ่งกับกิจของตนจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนครับจงอย่าประมาทจงมีความเปลี่ยนกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนอย่างเงี้ยชื่อว่าที่จะรักษาตัวคนอื่นด้วยแมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ชัดเจนนี่นะต่อไปนี้นะถ้าอาตมาพูดว่าอย่าไปสนใจคนอื่นให้สนใจเรื่องตัวเองขอให้คุณหมอและร์ช่วยเตือนซะหน่อยอแว่าเฮ้ยท่านจริงๆต้องพูดแค่ว่า กำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเท่านั้นพออย่าพูดว่าอย่าไปสนใจคนอื่นกำหนดอยู่ในกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนใช่สั้นๆเลยใช่ถึงจะถูกถึงจะคมถึงจะเป็นพุทธวจนะครับมันจะมันจะชัดเจนด้วยนะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่แคร์คุณนะฉันก็แคร์คุณว่าเออเราเป็นกัลยาณมิตรได้ถ้าคุณต้องการมีแนะประโยชน์ชักชวนไปในทางดีเป็นเพื่อนแนะประโยชน์ ชี้ทางที่เป็นสวรรค์ให้แล้วก็ห้ามเสียจากบาปนะสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์เราแนะนําให้อันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนแหนประโยชน์ดีใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็กําหนดอยู่ในประโยชน์ของเราเองครับจงพยายามสืบต่อในประโยชน์ของเราเองครับอย่างนี้นะเราก็จะไม่เพ่งโทษคนอื่นด้วยใช่ครับเพราะว่าเรากําหนดกิจของเราใช่ใช่ครับเพราะว่า ได้ได้ยินมาบ่อยว่าคนที่ไม่ไม่ได้ศรัทธาในในการปฏิบัติเนี่ยบอกว่าไอ้พวกปฏิบัตินั่นแหละเอาแต่ตัวเองรอดคนอื่นไม่สนใจอย่างเงี้ยก็ก็คําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวตอบนะครับว่าอืมจริงๆเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะที่เขาทําตัวเองก็ก็จะได้ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะฉะในในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเพิ่มเติมเรื่องของความอดทนแบบ สุขภาพปฏิปทาทุกการปฏิปทารเราเรื่องนี้มารวมกับเรื่องควมอทนก็จะสอดคล้องกันพอดีเราได้พูดถึงเรื่องอะไรกันมีเรื่องของอโซดาบันที่บอกอบว่าโซบันดับครั บ, รบาการโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการปล่อยวางนะครับวางว่ า, าทําอย่างต่อเนื่องทาอย่างฝึกไว้เนะี่ยเหมือนกับนักสู้เพลิง ที่เขาฝึกตัวเองไปเก้าสิบเ็ดเอร์ซ็นตและสามเปอร์เซ็นนี้เอาไปใช้งานจริงๆครักสนัดถึงเรื่องการการปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าถ้ามีโอกาสจะรออะไรนิดนึงรอข้ามถนนรอรีบรออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามกำหนดระลึกเช่นลมหายใจใช่เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็คิดว่าเราได้พูดถึงเนื้อหาที่สำคัญสำคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวอ่ ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ให้เขียนเข้ามาก็ได้แล้วกันครับหรือจะแนะนำอยากทราบข้อธรรมข้อใดทีู่้สกวะเออยังไม่กระจ่างนี้ก็ส่งมาที่เยวธรรมะ .com ได้นะครับแล้วก็พุ๊บเป็นไในสัปดาห์หน้ากำลังรับตรงครับกบนมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิพุนโครับะับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ